อุบายเครื่องข้ามพ้นจากอบายเพราะว่าศีลก็ทําให้พ้นจากการเกิดในอบายสมาธิปัญญาก็ทําให้พ้นจากการเกิดในอบายผู้ใดมีศีลสมาธิปัญญาผู้นั้นก็ไม่ต้องไปเกิดในมรรคในเปรตในอสุรกายในสัตว์ริษานเนี่ยได้แสดงถึงการพ้นจากอบายนอกจากนั้นในภาคสิทบทนี้ยังได้แสดงถึงการละสิเลตเพราะว่าการละสิเลสเนี่ย <c oughs> โดยเฉพาะกิเลสชั้นหยาบที่เป็นวีติกมากกิเลสนั้นต้องละได้ด้วยศีลกิเลสชั้นกลางคือประยุท ธ, ธานกิเลสนั้นต้องละได้ด้วยอำนาจของสมาธิกิเลสชั้นละเอียดคืออนุสัยต้องละได้ด้วยปัญญาพุทธภาสิตบบนี้จึงเป็นกา ร, กรแสดงถึงการละกิเลสด้วยเป็นกา ร, กรแสดงถึงการชำระละ้างสังกิเลสต่างๆอีกด้วยและโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งก็คือ เป็นเหตุแห่งความเป็นโสดาบันุคคลเป็นสกทาชาเป็นอนาคาและเป็นอรหันต์บุคคลจะบรรลุถึงซึ่งความเป็นโสดาสกทาชาได้ต้องอาศัยศีลบุคคลจะบรรลุถึงซึ่งอนาคามีบุคคลต้องอาศัยสมาธิบุคคลจะบรรลุถึงซึ่งอรหันต์ตบุคคลต้องอาศัยปัญญาเรี่ยวจึงเป็นการประมวลเป็นการประกาศหลักธรรมในพระพุทธศาสนานี้จนถึงที่สุด คือความเป็นพระอาหารหันตบุคคลเนี่ยเป็นความหมายแห่งพุทธพยากรที่พระพุทธองค์ได้ตรัสแก่เท พ, พบุตรตนนี้ส่วนการรศนาคำทีวิสุทธิมาสนี้ท่านพุทธโฆสาจารย์ท่านได้เริ่มตั้งแต่ศีลนิเทศสตามลำดับซึ่งในความหมายของคำว่าศีลนี้เราก็จะได้ศึกษากันโดยละเอียดต่อไปในวันอาทิตย์หน้า ซึ่งวันนี้สมาได้กล่าวถึงเรื่องต้นแห่งพระคมที์วิสุทธิมัติเท่านั้นต่อไปเราก็จะได้ศึกษาถึงสีโดยละเอียดในสีลนิเทศแล้วเราจะได้ศึกษาไปตามลำดับในคำทีนี้วันนี้การบรรยายคำทีวิสุทธิมัติเห็นว่าจะพอสมควรแก่เวลาสมาชิกขออนุโมทนาขอบใจทุกท่านที่ได้สละเวลามาในวันนี้อท่าน เาผู้ชนทั้งหลายวันนี้ต้องขออภัยที่ให้ท่านทั้งหลายมานั่งคอยเกินเวลาสี่ยี่บ้านาทีเอ่อสำหรับคำบรรยายในวันนี้ก็จะได้เริ่มอธิบายเกี่ยวกับเรื่องทางแห่งความบริสุทธิ์หรือในคำทีวิสุทธิมรรค ที่ได้เกริ่นไว้ตั้งแต่อภิทกรษ์กรว่าจะได้เริ่มบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของสีลนิเทศในคำพีวิสุทธิมารนี้ท่านได้แบ่งออกไว้เป็นสามภาคด้วยกันคือภาคของศีลสมาธิและปัญญาเรียกตามภาษาคำภีว่าสีลนิเทศสมาธินิเทศปัญญานิเทศ ในนิเทศทั้งสามนี้ถือว่าเป็นทางที่จะชะําระจิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายให้บรรลุถึงซึ่งความบริสุทธิ์ได้หรือเราจะนําชีวิตนี้ให้บรรลุถึงซึ่งความบริสุทธิ์ได้ก็ต้องอาศัยทางทั้งสามทางนี้แต่ว่าความบริสุทธิ์นั้นจะเกิดขึ้นแก่บุคคลก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นได้เป็นผู้ชําระล้าง หรือเป็นผู้อาบท่านอุปมาว่าเหมือนกับน้ำน้ำที่มีอยู่จะเป็นประโยชน์แก่บุคคลก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นได้ไปอาบน้ำเท่านั้นเองถ้าน้ำมีแต่เราไม่อาบน้ำร่างกายของเราก็จะสะอาดและบริสุทธิ์ไม่ได้การอาบน้ำนั้นย่อมทำให้ร่างกายสะอาดและบริสุทธิ์ชั้นใดหลักธรรมะปฏิบัติในพระพุทธศาสนานี้ก็เช่นกัน มีไว้สำหรับบุคคลประพฤติปฏิบัติเท่านั้นผู้ที่ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติแม้จะมีธรรมะอยู่ก็หาได้สัมผัสกับความบริสุทธิ์ได้ไม่ะฉะนั้นหลักในวิสุทธิมัชฌนี้ท่านพระพุทธโกษาจารย์ซึ่งเป็นผู้รจนาครมทีนี้ขึ้นเมื่อพุทธศักราชหรือพุทธศตวรรษที่กา้าันกว่าปีมาแล้ว ซึ่งเป็นอายุที่เก่าแก่มากและได้ประมวลคำสอนในทางพระพุทธศาสนาไว้ในคัมภีร์นี้ทั้งหมดฉะนั้นการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องทางแห่งความบริสุทธิ์นี้เราจึงจำจะต้องศึกษาถึงหลักทฤษฎีเพื่อที่จะนำเอามาเป็นหลักปฏิบัติต่อไปในคัมภีร์นี้ท่านได้แสดงถึงเรื่องสีนเทศก่อนเป็นเบื้องต้นคือได้แสดงถึงเรื่องของศี ความจริงเรื่องของสีนี้เป็นหลักการแสดงธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราเรียกกันว่าอนุปพิกขาอนุปพิกถาคือเป็นการแสดงธรรมถึงเบื้องต้นที่จะชำะระล้าง จ, จิตใจของบุคคลผู้ฟังให้บริสุทธิ์ขึ้นตามลำดับแล้วจึงจะสรุปลงด้วยการแสดงอริยสัจธรรมทั้งสี่ ข้อนี้เป็นหลักวิธีการแสดงคำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านอุทธมาว่าเหมือนกับเราจะย้อมผ้าเราจำจะต้องซักผ้านั้นให้สะอาดบริสุทธิ์เสียก่อนแล้วเราจึงจะไปย้อมสีสีนั้นจึงจะติดเนื้อผ้าได้ฉันใดจิตของมนุษย์นี้ก็เหมือนกันจำจะต้องรักปอให้บริสุทธิ์เสียก่อนเป็นเบื้องต้นจึงจะแสดงถึงอริยสัจธรรม ให้บรรลุถึงซึ่งนิพพานได้ไมฉะนั้นแล้วเราก็ไปนิพพานไม่ได้เรื่องการเดินทางปนิพพานทางรัตนั้นไม่มีอยู่ในพระพุทธศาสนาฝ่ายเทระวะคือสันตสัต์จะบรรลุถึงธรรมะโดยฉับพลันเหมือนกับหลักคําสอนในนิกายเซนต์ของฝ่ายมหายา น, นั้นไม่มีเพราะว่าความบริสุทธิ์นี้ต้องอาศัยการปฏิบัติไปตามลำดับขั้นข้ามขั้นไม่ได้ การปฏิบัติธรรมนี้ข้ามขั้นไม่ได้จะต้องปฏิบัติไปตามลำดับเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงได้แสดงอนุุปพิกถาก่อนกระถาในอนุปพิกถานั้นท่านแสดงถึงเรื่องทานเรื่องศีลและก็เรื่องสวรรค์ซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นกา ร, รแสดงธรรมเบื้องต้นคือพูดถึงอานิสงส์ของการบริจาคทานและการรักษาศีลการเจริญภาวนา จากนั้นจึงได้แสดงถึงกามาทีนพได้เชี้ยเห็นถึงโทษของการว่ามีอย่างไรแล้วจึงได้แสดงถึงอริยสัจคือทางที่จะบรรลุถึงซึ่งพระนิพพานได้แสดงให้เราได้ทราบถึงสันติสุขคือความสุขอันสงบและเป็นความสุขที่ถาวร น, นั้นเราจะบรรลุถึงได้อย่างไรอันนี้เป็นหลักวิธีการแสดงขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ฉนั้นในประคมทีวิสุทธิมัสนี้ท่านจึงได้แส ด, แดงถึงศีลเป็นเบื้องต้นจริงอยู่เรื่องของศีลนี้หลายท่านอาจจะเคยชินหูกันมาแต่เราอาจจะไม่เข้าใจเลยว่าคําว่าศีล น, นั้นคืออะไรเพราะความหมายของศีลนี้ท่านได้แส ด, แดงไว้กว้างขวางมากปัจจุบันนี้เราเรียกร้องให้ประชาชนถือศีลเช่นเรียกร้องให้ชาวโลกทั้งหลายตั้งมั่นอยู่ในศีลห้าเพราะเชื่อว่า ถ้าทุกคนมีสินห้าเป็นหลักประจำแล้วสังคมมนุษย์ก็จะหยุดความวุ่นวายลงเราจะอยู่กันอย่างสงบสุขมากกว่านี้ถ้าหากว่าทุกคนเป็นผู้ตั้งมั่นในสีนแต่เราไม่ทราบหรอกว่าสินนั้นนะ่ะจะตั้งมั่นได้อย่างไรและสินนั้นมีความสำคัญอย่างไรถ้าหากว่าตราบใดประชาชนยังไม่ทราบว่าสินนี้มีความสาคัญอย่างไรและเราจะมีสินได้อย่างไรแล้ว ก็เชื่อแน่เหลือเกินว่าจะหาคนรักษาศีลอยางเพราะว่าเราไม่เข้าใจว่าศีนี่คืออะไรรักษายากยิ่งแม้ในหมู่พุทธศาสนิกชนเราเองบางท่านก็ยังพูดว่าเรื่องของศีนี่เป็นเรื่องยากเหลือเกินอย่างกระหัยคู่ครองเรือนที่จะต้องทํามาค้าขายหรือประกอบอาชีพต่างๆอย่างนี้ยิ่งจะรักษาศีนยากที่สุดคือไม่สามารถที่จะรักษาศีนได้ บางคนที่ติดสุราเขาบอกว่ารักษาได้ถึงสี่ข้อบางคนไม่ดื่มสุราเขาบอกว่ารักษาได้สี่เหมือนกันโดยเฉพาะข้อมุกษาเนี่ยรักษาไม่ได้เพราะต้องใช้มุกษาอยู่เสมอในปัจจุบันนี้ลหลายๆท่านโดยการก็มักจะอ้างจนกระทั่งสีลห้าข้อเนี่ยไม่เต็มสักข้อหนึ่งมักจะขาดตกบกล่องไปอยู่เสมอบางคนที่ร้ายที่สุดก็บอกว่าได้จริงสามข้อนี่นับว่าดีแล้ว บางคนไม่เหลือเลยแม้แต่ข้อเดียวซึ่งก็ยิ่งจะแย่มนักขึ้นไปอีกเรื่องของศีลนี้ความจริงเป็นเรื่องที่เรารักษากันไม่ยากฉะนั้นก่อนที่อามาจะอธิบายเรื่องของศีลตามรายาแห่งวิสุทธิมารกนี้ก็อยากอยากชี้แจงให้ท่านสาวผู้ชนทั้งหลายได้เข้าใจถึงเรื่องพุทธประสงค์ของการบัญญัติศีลขึ้นว่ามีพุทธประสงค์อย่างไร เพราะเราเข้าใจถึงพุทธประสงค์ของศีลแล้วเชื่อแน่แลือเกินว่าทุกคนจะต้องยินดีรักษาศีลเพราะเรื่องของศีล น, นี้เป็นเรื่องที่ได้ตรัสขึ้นบัญญัติขึ้นอนุโลมตามอภิยาสา ข, ของสัตว์เป็นสําคัญไม่ใช่เป็นการฝืนจิตใจของสัตว์โลกว่าธรรมดาสัตว์โลกจะต้องเป็นไปอย่างนั้นแต่พระพุทธองค์ได้มาบัญญัติศีลข้อนี้ขึ้นซึ่งมันขัดต่อความรู้สึก หรือความเป็นอยู่ของมนุษย์หรือของสรรพสัตว์ทั่วไปโดยเข้าใจว่าคําสอนในทางพระพุทธศาสนานั้นได้ขัดต่อความรู้สึกของชาวโลกซึ่งอันนี้จะได้ชี้แจงให้เข้าใจในตอนนี้เสียเลยว่าแม่สิญที่พระพุทธองค์ได้บัญญัติขึ้นนั้นไม่ได้บัญญัติขึ้นเพื่อที่จะขัดแย้งกับความรู้สึกของสัตว์โลกไต่อย่างไร แต่บันอยากสืบขึ้นอาศัยอัพยาศัยของตัดเป็นที่ตั้งเช่นนัตมาจะยกตัวอย่างให้ท่านทั้งหลายได้ทราบว่าสรรพสัตว์ทุกชีวิตที่เกิดมาในโลกนี้ทุกๆชีวิตรักตัวเองด้วยกัน้งนั้นถ้าจะถามว่าเรารักชีวิตของเราหรือไม่เราก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าเรารักชีวิตของเรา แล้วก็รักอีกหลายหลายอย่างที่มันเกี่ยวพันกับชีวิตของเราเพราะความรักในชีวิตของเรานี้และตลอดจนสิ่งใดก็ตามที่มาพัวพันในชีวิตของเราเราก็รักนี่เป็นอัธยาศัยของสัต์เวลามีอันตรายเกิดขึ้นเราก็มักจ ะ, ะแสวงหาที่หลบภยัยเราเกรงว่าชีวิตนี้จะมีอันตรายเนี่ยตับทุกจงพวกตั้งแต่ตับเลดฉานเป็นต้นมาจนกระทั่งถึงมนุษย์ ว่าไม่มีใครเลยที่ไม่รักชีวิตและทุกๆคนก็หวังที่จะมีชีวิตเนี่ยอยู่ในโลกนี้ต่อไปไม่ว่าจะเป็นคนดีไม่ว่าจะเป็นคนพิการหรือไม่ว่าจะเป็นสตัตว์เลี้ยฉันมันต่อสู้เพื่อความเป็นอยู่ของชีวิตทั้งนั้นเมื่อวานนี้อาตมาได้ได้สนทนา ก, นกันกับจิตรกรที่ไปเขียนภาพที่วิทยาลัย คือคุณอังคารกรยา น, นาพงศ์ได้มีจิตทาไปเขียนพระพุทธรูปให้ที่ห้องประชุมที่วิทยาลายัยเป็นจิตกรรมฝาผนังตั้งใจว่าจะเขียนเพื่อทิ้งไว้เป็นอนุสรณ์ในพระพุทธศาสนาเมื่อวานตอนเช้าก็ะสนนานกันที่สนามหลังตึกวิทยาลัยที่กำลังก่อสร้างอยู่อาตมาก็สงสัยต้นไม้ประเภทหนึ่งซึ่งเห็นว่าพุ่มเนี่ยมันสวย แล้วก็เป็นไม้ที่มันขึ้นเองรัสถานที่นั่นเราได้ใช้รถดูเดเอร์อรดันตั้งหลายครั้งแล้วแต่ทำไมต้นไม้ชนิดนียจึงไม่ตายขึ้นมาเป็นพุ่มแล้วก็ใบสวยงามมากถามแกบอกว่านี่เคริกต้นอะไรเคยเห็นไหมแกก็บอกว่าผมสงสัยว่าจะเป็นต้นกระบบกน้ำแล้วก็บอกว่าเอ๊ะทำไมมันถึงได้สุดจริงต้นไม้ประเภทนี้ทั้งๆที่เราไถต้องสองสามครั้งเลยยังไม่ตาย แกก็พูดในทางปรัชญาว่าธรรมดาของทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันก็พยายามต่อสู้เพื่อความดารงอยู่ในโลกนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือแม้แต่พืชพันธุ์ก็บอกท่านดูสิครับเนี่ยไอ้ต้นไม้ตน้นหญ้าพวกเนี่ยมันก็พยายามต่อสู้เพื่อให้ชีวิตของมันเนี่ยดำรงอยู่ในโลกนี้เพราะมันก็ถือว่ามันก็มีสิทธิในผืนโลกนี้เหมือนกัน ในดาวดวงนี้เหมือนกันอาตมา ก, ก็บอกว่ามันก็ไม่น่าจะถือติดกันมากมายถึงเพียง น, นั้นก็ก็ไม่มีใครที่จะถือสิทธิในดาวดวงนี้ได้ตลอดไปทุกๆคนเกิดมาเขาต้องตายทั้งนั้นไอเราเองก็ตายต้นไม้มันก็ตายมันไม่น่าจะต่อสู้ให้เป็นทุกไ ป, ปเปล่าๆอาตมา ก, ก็แกล้งพูดอย่างนี้แกก็บอกว่านั่นเลยสิครับผมก็ว่าอย่างนั้นะ เพาไอ้โลกไอ้ดาวดวงที่เราอยู่นี่มันแย่เต็มทีแต่ผมเห็นความบริสุทธิ์ของเจตนาของมันว่าธรรมชาติเนี่ยมันบริสุทธิ์แกก็ถามอาตมาว่าท่านชอบดูดาวไหมครับอาตมาก็บอกชอบเวลาโลกมนุษย์มันบุ้นบุ้นเร น, นอนหงายท้องดูท้องฟ้าจะก็สบายใจดีดูดวงดาวมัง่งดูก้อนเมฆมัง่งก็สบายใจดีแกบอกนั่นสิครับผมว่าไอ้ดาวทุกดวงที่มันอยู่ในจั ก, กรวาลเนี่ยมันบริสุทธิ์เหลือเกิน ผมรังเกียดดาวดวงนี้จะถามว่าดาวดวงไหนดาวดวงที่เราเกิดเนี่ยบอกทำไมนะมันลบด้วยขยะมันลบด้วยขยะมันไม่บริสุทธิ์ผุด่องเหมือนดาวดวงอื่นอาตมาก็บอกว่านั่นนาละสิพวกกวีทั้งหลายก็บอกว่าดวงจันทนระ์น่ะบริสุทธิ์สมัยก่อนก็เยนยอส ต, ตรีว่าเ็นพักของเธอเนี่ยฝุด่องดังดวงจันทร์หรืองามดังดวงจันทร์อะไรต่าง ปัจจุบันในวิทยาศาสตร์เขก็พิสูจน์แล้วว่ากระจันทร์หาได้งามชุ้นนั้นไม่แล้วก็กระจันร์ก็ไม่บริสุทธิ์แล้วมนุษย์ก็ขยับไปทิ้งบนดวงจันทร์แล้วจะบริสุทธิ์ได้อย่างไรเพียงแค่เดินเพียงแค่ไปลงดวงจันทร์สองคนเท่านั้นก็ทําดวงจันทร์สกปรกต้งแยกแล้วก็เราเกิดมาในโลกมนุษย์เนี่ยจํานวนเท่าไหร่ทาไมโลกมนุษย์นี้จะไม่สปกปรกแล้วก็คิดว่านาวดวงอื่นมันก็คงจะต้อง คงจะต้องมีบนทินจากมนุษย์นี้ต่อไปอีกเพราะว่ามนุษย์ก็ชอบไปสร้างบนทินให้กับสิ่งที่บริสุทธิ์อยู่เสมอเสมอแกก็บอกว่าแกก็หยุดแกก็ไม่ว่าอะไรคือก็สนทนากันถึงเรื่องความดำรงอยู่ของสัตว์ละสรรพทุกจาพวกเนี่ยมันก็ดิ้นรนเพื่อให้ชีวิตเนี่ยดำรงอยู่ทางนั้นไม่ว่าจะเป็นนกหนูปูปีกอะไรมันก็ประสือกระสนแม้แต่พืชคือต้นไม้ต่าง มันก็พยายามที่จะให้ตัวมันเองอยู่ในโลกมนุษย์นี้เพราะว่าโลกนี้ไม่เป็นของใครทุกคนมีสิทธิที่จะอยู่ในโลกนี้ได้แต่เราหาไม่คำนึงถึงไม่ว่าสิทธิที่เราจะอยู่ในโลกหรือที่เราจะอยู่ในโลกโดยที่เราเนี่ยไม่เกิดการเบียดเบียนกันเราถืออะไรเป็นหลักปฏิบัติสำหรับตัดโลกว่าเราเนี่ยจะอยู่ในโลกนี้อย่างสำิสุข และเราจะอยู่ในโลกนี้โดยที่ไม่ต้องวาดแวงใครกันมากนะถ้าเราไม่มีอะไรเป็นปฎเกณฑ์ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติแล้วแม้เราจะปราศสนาอยู่ในโลกนี้เพียงใดก็าตามเราก็อยู่ลำบากท่านหลายจะเห็นได้ด้วยตัวท่านเองแล้วว่าตับโลกที่เกิดมาต้องเบียดเบียนกันเห็นฆ่ากันไม่มีที่สิ้นสุด เดี๋ยวฝ่ายนี้ก็ไปเบียดเบียนฝ่ายโน้นเดี๋ยวฝ่ายโน้นก็มาเบียดเบียนฝ่ายนี้ก่อนอาตมาจะมาบรรยายนี่ก็ได้รับข่าวกระดใจจึงทำให้มาช้าระโยมโทรศัพท์มาบอกว่าลูกชายผู้ผู้ก่อการร้ายญิงตายจะแล้วเพราะเป็นในอำเภอมือปราบก็ทำงานดี รับใช้ราชการดีแต่ผู้ก่อการร้ายยิงตายซะแล้วบอกจะรีบไปเย็นนี้แหละโทรศัพท์มาบอกโทรศัพท์ไปก็ร้องไห้ไปอาตมาก็คุ้นเคยกันก็แม้ใจหายก็ไม่นึกเลยว่าจะรวดเร็วอย่างนั้นก็คิดว่าเนี่ยทมกับอธรรมมันเป็นของคู่กันเราในฐานะที่เป็นผู้ถือธรรมะ หรือเป็นผู้ถือสัจธร ร, รมบางครั้งระถูกอาธรรมเบียดเบียนข่มเ็งเพราะฉะนั้นเราจะต่อสู้กันอย่างไรจึงจะให้ธรรมะเนี่ยดำรงอยู่ในโลกนี้ได้ทั้งๆที่อาธรรมก็มีอยู่มากมายพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ประโยคหนึ่งซึ่งมีอยู่ในพระสุตรรตานตปิฎกท่านตรัสว่า คนทุศีนเนี่ยมีมากในโลกนี้คนทุศีนมีมากซึ่งในสมัยนั้นแม้พระพุทธองค์เองก็ยังถูกเบียดเบียนจากอาธรรมเช่นนี้ซึ่งเราถือว่าบุรุษเช่นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านเป็นพาาระอรหันต์ไม่มีกิเลสมันอย่างพวกเราแสนจะบริสุทธิ์แล้วก็ได้ทำประโยชน์แก่ตัดโลกตลอดเวลาแต่ว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขายังทูกพวกอธรรมข่มเหงรังแกอยู่เสมอเมอท่านกระตรัสว่าคนทุศีนมีมากแล้วแให้เห็นว่าอธรรมมากกว่าธรรมะเพราะฉะนั้นการต่อสู้การรณรงค์กันซึ่งระหว่างธรรมะกับอธรรมในโลกปัจจุบันนี้เป็นสิ่งจำเป็นจิงอยู่อธรรมเนี่ยมักจะชนะธรรมะอยู่เสมอในที่บางแห่ง เป็นอย่างคนที่มีอธรรมก็มักจะข่มเหงผู้ที่ใช้ธรรมะเหมือนว่าคนที่ใช้ธรรมะเป็นคนที่ไร้ฝีมือสิ้นไร้ไม้ตออะไรทั้งนองนั้นน่ะและตัวเองก็ข่มเหงได้ข่มเหงดีโดยที่คิดว่าเขาไม่สู้บ้างหรือว่าไม่สามารถจะต่อกรกับตนเองได้บ้างเรื่องของอธรรมนั้นเป็นเรื่องของพาลชนแต่ธรรมะเป็นเรื่องของบัณฑิตเราจะสังเกตได้ว่า ธรรมกับอธรรมเนี่ยบางยุคบางสมัยไม่ใช่ธรรมะชนะอธรรมแต่อธรรมชนะธรรมะแต่บางยุคบางสมัยธรรมะก็ชนะอธรรมแต่ความชนะระหว่างธรรมกับอธรรมทั้งสองอย่างนี้ยังจะต้องใช้การเวลาสักหน่อยหนึ่งแต่ที่สุดจริงๆแล้วธรรมะต้องชนะอธรรมทุกแห่งพระพุทธองค์ตรัสว่าอาสาตุงสาคุนาชิน แปลว่าพึงชนะความชั่วด้วยความดีเนี่ยอสุอาสาสุงสาสุนาชิเนให้ชนะความชั่วด้วยความดีที่สุดจริงๆแล้วความดีก็ต้องชนะแต่ว่ากว่าความดีจะชนะนี่ก็สบักสบมเหมือนกันเพราะคนที่ถือความดีถือหลักธรรมะเนี่ยก็ยําแย่ไปถ้าหากว่าร่างกายกับจิตใจไม่เข้มแข็งเพียงพอแล้ว ก็ไม่สามารถที่จะต่อสู้กับอาธรรมได้สแสดงว่าในโลกมนุษย์นี้ธรรมกับอธรรมเป็นของคู่กันจะต้องต่อสู้กันอยู่เสมออาตมาพิจารณาถึงพุทธวจนะที่พระพุทธองค์ได้บรรัญญัติศินนี้ขึ้นว่ามีพุทธประสงค์อย่างไรจึงได้ชวนให้ชาวโลกทั้งหลายเนี่ยรักษาศินถือศินและศีนที่พระพุทธองค์ได้เชิญชวนให้เรารักษากันนี้เราจะรักษากันได้หรือไม่ เป็นไปได้ไหมถ้าสมมุติว่าจะให้คนทั้งโลกนี้ถือศีลห้าเราตอบได้เลยว่าเป็นไปไม่ได้ทำไมถึงเป็นไปไม่ได้ก็เพราะว่าบุคคลที่จะมีจิตใจสูงถึงกับรักษาศีลห้า่อไว้นั้นหายากผู้ที่จะเข้าใจเรื่องของศีลก็หายากพระพุทธองค์ได้บัญญับศีลห้าขึ้นนี้อาศัยความรัก เป็นประทับฐานของการบัญญัติอาศัยความรักเป็นประทับฐานที่ว่าอาศัยความรักเป็นประทับฐานเนี่ยคือโดยปกติแล้วคนเราทุกคนเกิดมาก็มีความรักด้วยกันทั้งนั้นอย่างน้อยที่สุดเราก็รักตัวเราถึงเราจะไม่รักใครอื่นเราก็รักตัวเราอย่างที่สุดแล้วเมื่อมีความรักตัวเองมากเราก็อาจเกียดความรักเนี่ยไปในคนอื่น แต่ว่าเราก็ไม่รักคนอื่นมากกว่าตัวเราทุกคนรักตัวเองมากกว่าคนอื่นทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นใครทั้งหมดที่เราพูดกันว่าเรารักคนโน้นมากรักคนนี้มากมากนิ่งกว่าชีวิตของเราอีกน่าเป็นเรื่องเชท็ทั้งนั้นไม่มีใครจะรักคนอื่นมากกว่าตัวเองทุกคนต้องรักตัวเองก่อนทั้งสิ้นแปลว่าเพราะความรักตัวเอง เราจึงอยากให้คนอื่นเนี่ยรักเรามากๆซึ่งเมื่อไม่สมความปรารถนาเชนา่นนี้แล้วก็เกิดเป็นความชามังเกิดเป็นความโกรธขึ้นมาถ้าโกรธฆ่าคนอื่นไม่ได้ก็ฆ่าตัวเองดังที่เราได้พบเป็นกรณีบ่อยๆฆาตกรรมเดี๋ยวคนน้อยก็ฆาตกรรมตัวเองบางทีก็ไปฆาตกรรมคนอื่นเขาได้บ้างเพราะอำนาจของความรักแล้วก็กลายเป็นความชังขึ้นซึ่งการทำลายชีวิตของตนเองก็ความรักคนอื่นนั้น ไม่เป็นความจริงซึ่งเราจะเข้าใจออกแม้เนี่ยเพราะว่ารักคนอื่นมากนะแม้แต่ตัวเองก็ยอมตายได้ชีวิตของตนเองก็สละได้เรื่องนั้นไม่เป็นความจริงเพราะไม่มีใครเลยที่จะรักคนอื่นมากกว่าตัวเองที่เป็นเช่นนั้นไม่ใช่เป็นด้วยความรักแต่เป็นด้วยความเห็นแก่ตัวอย่างมากแล้วก็เป็นด้วยความชังและผลสุดท้ายก็ต้องถึงกับฆ่ากันเพราะมีความรักเป็นเหตุเรื่องของศีลที่ว่า พระพุทองค์มันอยากขึ้นเพราะความรักเป็นเหตุก็ราะว่าคนเราเนี่ยรักตัวเองโดยสัญชาติตญาณแล้วเรารักตัวเองใช่ไหมถามดูตัวเราเองก็ได้ว่าเรารักตัวเราเองไหมเราต้องรักตัวเราเองเนี่ยมากกว่ายมบางท่านอาจจะมีความรู้สึกอยู่อย่างหนึ่งว่าเราเนี่ยรักลูกมากกว่า เพราะเราต้องทนลําบากระบบนในปัจจุบันเนี่ยก็เล่าลูกอยากจะให้ลูกดียอมอาจจะอ้างมโยมเนรักลูกมากกว่าแต่ว่าคิดดูให้ดีนะพิจารณาให้รอบด้านทุกคนไม่จะรักคนอื่นมากกว่าตัวเองไม่ได้ทุกคนก็องรักตัวเองมากกว่าทั้งนั้นยิงอยู่ไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่นแต่ว่าพ่อแม่ที่รักตนเองไม่ประกอบด้วยความเหินเกตตัวเท่านั้นเอง พราพ่อแม่เนี่ยไม่มีความเห็นเกตัวพ่อแม่จึงทุ่มเทเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความรักในลูกได้บริสุทธิ์กว่าคนอื่นเขารักเพราะคนอื่นที่มารักลูกเนี่ยหรือที่จะมารักตัวเราเนี่ยก็ไม่บริสุทธิ์เหมือนพ่อแม่รักเราเพราะพ่อแม่รักเราด้วยความบริสุทธิ์ไม่ตราถนาสิ่งตอบแทนไม่ต้องการเอารักเอาเปรียบซึ่งกันและกันแล้วก็เป็นเจตนานดีที่จะเกื้อกูลต่อลูกให้ลูกเห็นมีความผาสุก เป็นความรักอย่างเนี้ยเราหาจากคนอื่นไม่ได้นอกจากพ่อแม่เท่า น, นั้นเนี่ยพ่อแม่มีความรักอันบริสุทธิ์อย่างนี้ต่อลูกแต่ความรักอย่างเนี้ยเป็นเรื่องของเมตตาธรรมเป็นความรักที่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นพ่อแม่จึงเสียสละเพื่อลูกได้ทุกอย่างแต่ก็ไม่ใช่หมายความว่าพ่อแม่เนี่ยรักลูกมากกว่ารักลูกมากกว่าชีวิตของตัวเองชีวิตของพ่อแม่น่ะพ่อแม่ต้องรักและก็ต้องรักเหนือกว่าชีวิตของคนอื่นทั้งหมด นี่เป็นเรื่องสัญชาตญาณของสัตว์ที่มีอยู่โดยทั่วไปโดยจกติคนรักตัวเองมากอย่างนี้พระพุทธองค์บรรยศินห้าข้อขึ้นมาก็อาศัยความรักของสัตว์เนี่ยเป็นประทัดฐานลดหลั่นกันไปตามลำดับของความรักเช่นท่านทั้งหลายจะสังเกตในศีลห้าข้อว่าทำไมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้บรรยศินข้อที่หนึ่งไว้ว่าปานาติปาตาเวรมณี เอาไว้เป็นอันดับแรกที่สูงก็คืออยากฆ่ากันไม่ทําลายชีวิตซึ่งกันและกันก็คือสอนให้เราเว้นจากการทําลายชีวิตของสัตว์อื่นให้ตกไปโดยเร็วตกไปโดยเร็วในที่นี้หมายความว่าเมื่อชีวิตของเขายังไม่ถึงการเวลาที่จะตายแต่เราไปทําให้ตายซะก่อนก็เท่ากับว่าเราทําปาณาติมาการกระทําเช่นนั้นนเป็นปาณาติบาตกรรมถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่สมควรท่านว่าว่าเป็นอันดับหนึ่ง อันดับสองรองลงมาก็คือให้เว้นจากการลักทรัพของผู้อื่นมาเป็นของตนอันดับที่สามก็คือให้เว้นจากการประพฤติผิดประเพณีเช่นให้เว้นจากการประพฤติผิดในกามอย่าประพฤติผิดในสามีในภรรยาในบุตรของในพิดาของผู้อื่นเป็นอันดับสามอันดับสี่ก็คืออย่าพูดเท็จต่อผู้อื่นอันดับที่ห้าก็คืออย่าดื่มสุราเมรัย หรือเศษของมึ่นเมาทุกชนิดซึ่งการบัญญัติศีลมาตามลําดับเช่นนี้ก็วางตามรูปของความรักที่บัญญัติศีลปาณาติบาขึ้นเป็นข้อแรกก็เพราะว่าไม่มีความรักอะไรในโลกนี้ที่ศัจะรักมากกว่าชีวิตของตนเองฉะนั้นเมื่อชีวิตของใครใครก็รักอย่างนี้เราจึงไม่ควรฆ่ากันไม่ควรเบียดเบียนกันท่านจึงบัญญัติศีลข้อปานาติปาตาไว้เป็นอันดับแรก เนี่ยเป็นพุทธประสงค์เพื่อที่จะให้ศัพททั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติแล้วทัพท์ทั้งหลายลองคิดดูว่าในเมื่อเราเนี่ยก็มีความรักชีวิตของเราเองแต่ทำไมเราจึงไม่คิดบ้างว่าคนอื่นเขาก็รักชีวิตของเขาเหมือนกันหรือศัพท์อื่นเขาก็รักชีวิตของเขาเหมือนกันทุกคนก็อยากจะมีชีวิตเนี่ยดำรงอยู่ในโลกทาไมเราจึงไม่คิดให้ว้างขว้างออกไปอย่างนั้น เมื่อเราไม่คิดกว้างขวางอย่างนี้เราก็มุ่งที่จะเห็นฆ่าชีวิตของผู้อื่นเพื่อให้ชีวิตของตนเองเนี่ยดำรงอยู่ซึ่งการประทําเช่นนี้ไม่ยุติธรรมแต่ถ้าหากว่าเรารักชีวิตของใครใครก็รักต่างคนต่างรักกันอย่างนี้เราก็ไม่น่าจะมาเบียดเบียนมาฆ่ากันศีลข้อที่หนึ่งเราประรษาได้แล้วโดยอัตโนมัติมันเป็นไปเองโดยธรรมชาติว่าเราเนี่ยก็เป็นผู้มีศีลแล้วเพราะอย่างน้อยขอให้เรานึกถึงความรักในตัวเราเองให้มากเท่านั้น เราก็มีสินข้อที่หนึ่งนี้ได้แต่ถ้าเราไม่นึกถึงเรื่องของความรักตัวเองแล้วเราก็รักษาสินข้อนี้ไม่ได้เ <rendo. S 2> นี่ยเพราะฉะนั้นเราจะรักษาสินข้อหนึ่งได้ขอให้เรานึกถึงความรักตัวเองรักตัวเราเองว่าเราระรักชีวิตของเราคนอื่นเขาก็รักชีวิตของเขาเหมือนกันกับอื่นเขาก็รักชีวิตของเขาเพียงแค่นี้เราก็รักษาสินข้อหนึ่งได้แล้วความรักที่รองลงมาจากชีวิตคืออะไร ชีวิตของมนุษย์ที่ดำรงอยู่ในปัจจุบันเนี่ยที่เรารับรองลงมาจากชีวิตของเราก็คือทรัพย์สินเงินทองสิ่งใดที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราเนี่ยแม้ว่าที่ดินสักแปลงหนึ่งเงินสัก บ, บาทหนึ่งถ้าอันนี้เป็นสิทธของเราโดยชอบทำแล้วเราก็ถือว่าอันนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของเราเราหวงแหนเรารักทรัพย์สมบัติเนี่ยรองลงมาจากชีวิตจะนั้นทรัพย์สมบัติของใครใครเขาก็รัก เมื่อเรารักทรัพย์สมบัติของเราฉันใดคนอื่นเขาก็รักทรัพย์สมบัติของเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นในเมื่อต่างคนต่างรักอย่างนี้เราจึงไม่